มมาาาตสบยเมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์บทอภิษฐราปัจจเวกบทนี้เป็นบทที่สําคัญนะครคือทําให้เราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตให้เรารู้ว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายมีการพัดภาคจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตัวเองเราทําดีเราก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วถ้าเรามีความคิดแบบนี้ชีวิตเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมคิดถ้าบุญบาปไม่มีก็เห็นว่าโลกเที่ยง อันนี้ก็นาความทุกข์มาให้เพราะกาให้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่ไม่เคยมาเรียนรู้ธรรมะไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความเห็นผิดอยู่เห็นว่าลกเที่ยงของทุกอย่างเที่ยงแล้วก็มีความเห็นผิดว่าความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็เห็นของที่ไม่งามว่าเป็นของงาม เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสแต่ถ้าเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นลูกตาความจริงเราม า, าไหว้พระสวดมนต์เราก็น้อนมาใส่ตัวเข้าเฝ้าพุทธเจ้าได้ฟังธรรมทุกวันทําให้เราเนี่ยไม่หลงไม่ประมาทได้สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือสมัยหลังจากพระองค์ปรินิพพาน ไ, ไปแล้วนะก็ยังมี วิชาที่ศีกอยู่ที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์โอปัติกะไม่มีโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีก็มีคนเชื่อแบบนี้เป็นระดับเจ้าเมืองด้วยมีเจ้าเมืองอยู่เมืองดึงชื่อว่าปลายาศิเจ้าเมืองเสตัพยะเป็นเมืองขึ้นของแกล้นโกศลของพระเจ้าประเศษที่โกศลพระโอมีความเชื่อว่าบุญบาปไม่มีโอปัติกะไม่มีโลกหน้าไม่มี ไอ้ไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พออยากทดลองด้วยทดลองด้วยวิธีการต่างๆแล้วพระองค์ก็พูดเก่งพูดเก่งมีโอหานนี่หักล้างความเชื่อสมัยนั้นก็มีพวกพราหมณ์แล้วก็พวกพระต่างๆเนี่ยไปโตวัฏถะกับท่านก็แพ้ท่านหมดเลยเพราะว่าวิธีการพูดเนี่ยพระเจ้าปราชญ์เนี่ยจะฉลาดกว่ามีวิธีการพูดที่หักล้าง โดยบอกว่าพระเนี่ยพระกับพวกพามเนี่ยหลอกหลอกโยมหลอกชาวบ้านเอาสวรรค์มาล่ออนรโลกมาขู่ให้คนกลัวเพื่อได้ให้คนเนี่ยนำอาหารดีๆมาถวายเพื่อความสุขสบายตัวเองคือท่านมีความเชื่อแบบนี้และท่านก็อาหารการมากประกาศโต้วาทะาไปทั่วคือโต้รัชละตลอดจนมาถึง ูของพระกุมารกัสปะพระรหันซึ่งเป็นเอตะสัทะในการแสดงธรรมวิจิตพิาดาลพระกุมารกัสปะจึงเดินทางไปหาพระเจ้าปลายศีไปถึงก็ถามเลยว่าพระมหาปาพิษเนี่ยมีความเชื่อว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีจริงหรือพระเจ้าปายศีก็ตอบว่าจริง เพราะว่าได้ทดลองมาแล้วจนแน่ใจทดลองยังไงพระเจ้าไปสตีเรียกตัวเองว่าโยมนะเวลาคุยคุยกับพระกุมารกาาาัสปะเนี่ยพระกุามารกาาาัสปะเ็เรียกตัวเองอธมาโยมเนี่ยทดลองโดยสั่งคนที่ทำชั่วหรือทำบาปทำกรรมามากเนี่ยที่เป็นญาติพี่น้องของโยมเอ ง, เองหรือคนรู้จักเนี่ยว่าเวลาตายไปถ้าตกระลกเนี่ยให้มาบอกด้วยจนแล้วจนเล่าก็เห็นมีใครมาบอกสกที เมื่ะนั้นโยมจึงเชื่อว่านรกไม่มีอุบาตชาต่นหน้าไม่มีพระ ก, กุมารกัสปะจึงบอกว่านักโทษประหาเนี่ยถูกจองจําแล้วรอประหาเนี่ยมหาปพิจยยอมปล่อยไหมปล่อยให้ไปลาไปบอกลูกเมียหรือครอบครัวแล้วก็จะกลับมารับโทษประหารเนี่ยปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยเดี๋ยวก็หนีไป ฉันใดก็ฉันนั้นนักโทษเด็ดขาดที่ตกนรกเนี่ยก็ไม่สามารถมาบอกมหาปพิทตได้เพราะถ้าปล่อยไปก็นหนีอันนี้เหตุผลที่คนที่ตายไปแล้ว ท, ที่รับโทษในนรกเนี่ยไม่สามารถมาบอกได้แต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแล้วได้ทดลองต่อไปโดยโดยฝากถามพวกพราหมณ์พวกพระหรือคนรู้จักกันที่ทำความดีมีศีลมีธรรมเนี่ย และมั่นใจว่าตายไปแล้วขึ้นสวรรค์นแน่นอนสักบอกก็ตายไปแล้วไปอยู่สวรรค์แล้วกลับมาบอกด้วยนะจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครบอกสักทีภาคกูมากับส ป, ปะจึงบอกว่าเหตุที่คนไปสวรรค์กลับมอกไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลสองประการคือ1บนเวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันมากหนึ่งวันของสวรรค์นเนี่ยเท่ากับร้อยปีของเมือมนุษย์ถ้าเทวดามาบอกเนี่ยพระองค์ก็ตายไปนานแล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือโลกมนุษย์เนี่ย ครั้งเทวดาการังเกียจเหมือนคนที่ตกในหลุมคูหรืออุจระเหม็นๆได้ ม, มีคนช่วยดึงขึ้นมาอาบน้ำชำระตัวให้สะอาดอยากถามพระ อ, องค์ว่าคนนั้นจะอยากตกไปในหลุมคูอีกไหมเพราะบนโลกสวรรค์เป็นโลกที่อยากได้อะไรก็สมปรารถนาหมดไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขสบายแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าบุญบาปมีโลกหน้าบีโรกสวรรค์มีโดยการทดลองนานักโทษประหาร เอามาใส่หม้อทักเป็นเป็นเนี่ยหม้อใบใหญ่แล้วก็มัดมัดปากบ่ออย่างดีเอาดินเหนียวทารอบแล้วก่กอไฟเผาให้ตายทั้งเป็นโยมสังเกตดูก็ไม่เห็นมีวิญญาณออกทางไหนเพราะฉะนั้นโยมจึงไม่เชื่อว่าบุญมีโรมีบาปมีโลกหน้ามีภาคกุมารกระสปะจึงบอกต่อไปว่าเวลามหาพิธนอนหลับกลางวันเนี่ยฝันว่าไปเที่ยวสวน เที่ยวป่าเขาลำนาภพายหรือสถานทีล่ลื่อนล้มต่างๆเนี่ยเวลานั้นก็มีหญิงรับใช้เฝ้าคอยดูอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นขอถามหญิงรับใช้เหล่านั้นเนี่ยเห็นวิญญาณพระองค์อ อ, อ, อกอย่างล่างไหมขณะฝันพระเจ้าไปอาธิก็ต่อว่าไม่เห็นไม่มีใครเคยเห็นนี่ขนาดพระ อ, องค์ยังไม่ตายยังไม่มีใครเคยเห็นแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ตายแล้วเล่าแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมได้ทดลองชั่งน้ําหนัก นักโบอประหารแล้วก็นำเอาแขนคอสังเกตดูขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าตอนที่ตายแล้วเพราะนั้นโยมยังไม่เชื่อแล้วสังเกตไม่เห็นมีวิญญาณออกจยากล่างเลยพระกุมารกสะปะจึงให้เหตุผลชี้แจงว่ามหาประพิษเหล็กที่ร้อนๆกาลังเผาไฟเนี่ยย่อมมีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กที่เย็นซึ่งแข็งกระด้างสามารถดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้ ตีเป็นมีดทําอย่างอื่นก็ได้ก็เปรียบกับเสมือนกับคนที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยมีท่าสี่ดินน้ำลมไฟไประชุมกันทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งกระด้างน้ําหนักก็ย่อมเบาวกว่าคนที่ตายซึ่งไม่มีท่าสี่ดินน้ํำลมไฟไประชุมกันอยู่ฉันไดก็ฉันนั้นแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าบุญมีบาปมีชาติหน้ามีนกสวรรค์มีโยมได้ทดลองโดยการนํานักโทษประหาร มาประหารโดยชีนิดที่ว่าไม่ให้กระทบผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกโดยจับตะแคงพลิกไปพลิกมาเอาหัวห้อยลงก็ไม่เห็นแม้วิญญาณจะออกทางไหนเพราะฉะนั้นโยมยังไม่เชื่อภาคกุมารกสปะอธิบายต่อไปว่ามีบุรุษคนหนึ่งนำสังมาเป่าเสียงสังก็ดังกล้องไปทั่วชาวบ้านได้ยินก็เดินทางมาดูเห็นสัง ที่ชายหนุ่มเป่าแล้วอะวางอยู่ก็สงสยัยก็สั่งมันดังได้ยังไงจับพลิกไปพลิกมาแต่แทงไปแทงมาสั่งก็ไม่มีเสียงชาวบ้านก็สงสยัยจนชายหนุ่มเนี่ยต้องนําสั่งว่าเป่าอีกชาวบ้านถึงรู้ว่าเสียงสั่งเนี่ยมาจากการเป่าของชายหนุ่มคือต้องมีการกระทําที่ถูกวิธีด้วยเสียงสั่งถึงออกเปรียบเหมือนพระองค์เนี่ยมีการทดลองที่ผิดคิดว่าวิญญาณคนตายเนี่ยพอตายปุ๊บ ออกจางล่างเหมือนไฟไม่ล่างมาหาล่างใหม่เลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดพอการทดลองที่ผิดมันจะเห็นความจริงได้ยังไงมันผิดแต่ต้นแล้วโยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมได้ทดลองนับปักโทษประหารเนี่ยมาชหละชํแหละเทียชิ้นเทียชิ้ น, นเพื่อะดูว่าวิญ ญ, ญาณออกทางไหนก็ไม่เห็นมีวิ ญ, ญญาณออกมาให้เห็นเลยพักกุมารกัส ป, ปะก็เหตุผลต่อไปว่ามีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งกําลังจะเดินทางไปทุลราชเมือง หรืีคนนี้ชอบบูชาไฟแล้วก็ให้เด็กเนี่ยที่กำลังเล่นซนอยู่เนี่ยบอกให้ขณะที่ตนไม่อยู่เนี่ยอย่าให้ไฟดับนะให้เอาฟืนก่อดตลอดแต่เด็กคนนี้ห่วงเล่นไปมาไฟก็ดับจนได้คันไฟดับก็ไม่รู้จะทาไงเคยเห็นลุศีเอาไม้สองอันมามามาสีกันเข้าไฟก็ติดก็ทดลองดูทําไปทํามาก็ไม่ยอมปิดทันทีจึงเอามีดเอาผาไม้ที่สีออกเป็นชิ้นเสียชิ้นเสียชิ้น ก็ยังไม่เห็นติดเอาไปใส่คกตําจนละเอียดไฟก็ไม่มีฤาษีกลับมาก็ตําหนิบอกเด็กโง่เอ๋ยทํำไมทําแบบนี้ก่อไฟผิดวิธีจะติดได้ยังไงว่าแล้วก็ก่อให้ดูการกระทำของพระ อ, องค์เนี่ยมันผิด ต, ต้นแล้วเพราะการทดลอผิดวิธีผลจะถูกได้ยังไงแต่โยมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีโยมมีทิ่ถีแบบนี้เจ้ามือต่างๆที่รู้จักกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าปประเสริฐที่โกศลพระเจ้าบุคคลอื่นๆก็เชื่อว่าโยมเนี่ยมีทิฏฐิเชื่อว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโอปาริกาไม่มีถ้าโยมละความเชื่อนี้โยมก็จะไม่มีจุดยืนเป็นคนไม่น่าเชื่อถือพระกุมารกสปะก็ให้เหตุผลอธิบายตอบว่าพระองค์เนี่ยเหมือนคนโง่สี่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเรื่องที่หนึ่งมีพ่อค้าบรรทุก สินค้าใส่เกวียน500เล่มเกวียนที่จริงพ0น0เล่มเฟียด แ, แต่แบ่งเป็นสองฝายเพราะว่าตอนนั้นอาหารต่างเนี่ยหรือสเบียงเนี่ยถ้าไปด้วยกันก็กลัวว่าจะเดือดร้อนสเบียงอาจขาดแคลนได้จึงจ ะ, จะแยกกันไปไปในสู่ที่กันดาลเกวียนชุดแรกเดินทางไปก่อนไปเจอชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ถามชายคนนี้ก็บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีน้ามีอาหารมีหญ้าต่าง ฝนฟ้าบริบูรณ์ไม่ต้องทุกข์สเบียงแพนหนักหรอกจะได้เดินทางไปสบายสบาๆพ่อค้าหัวหน้าเนี่ยก็เชื่อจึงสละสเบียงลงเพื่อให้วัวบรรทุกเบาๆจะได้สบายไม่เหนื่อยเดินทางไปถึงกลับไม่เจออะไรเลยดินแดนนั้นกั น, กนด d านมากฝนฟ้าก็ไม่ตกอาหารก็ไม่มีทําให้วัวเนี่ยอดตายแล้วคนที่เดินทางมาด้วยก็ขาดอาหารก็ตายแล้วถูกอมนุษย์จับกินหมดเลยส่วน หัวหน้ากองเพียนชุดที่สองเนี่ยก็เดินทางไปสมทบเหมือนกันแล้วชายคนแรกที่มามาหลอกเนี่ยก็มาหาเหมือนเดิมหัวหน้าก็ถามก็บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีอาหารรวมสมบูรณ์ไม้องเตรียมเอาอะไรไปหลอกแต่หัวหน้ากองเพียนไม่เชื่อบอกตัวขบวนว่าชายคนนี้เนี่ยเราไม่รู้จักไม่ได้เป็นญาติโกโหริกาผู้ฝาไม่อมาตเราอย่าทิ้งสเสบียงเผื่อขับขันจะได้เอามาใช้ได้แล้วก็เป็นไปตามที่คิดพอไปถึงเนี่ยก็เห็นซาก ของกองเวียนชุดแรกนอนตายเกลือนแต่ชุดที่2ปลอดภัยเพราะมีอาหารมีเสบี ย, ยที่เตรียมไว้คือไม่ได้หวังน้ำบ่อหน้าอันนี้เป็นนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องที่สองมีชายคนเลี้ยงหมูเดินทางไปเจอขี้บูแห้งอยู่กองใหญ่เลยมีฟ้าสึกว่านี่คืออาหารหมูจึงนำผ้ามาห่อไว้แล้วก็ทูนเนือทิศกะว่ากลับบ้านเนี่ยจะเอาไปเลี้ยงหมูขณะนั้นฝนก็ตกหนัก น้ำฝนเนี่ยก็ทําให้ขี้หมูเนี่ยแห้งเนี่ยกลายเป็นเปียกทําให้ชายคนเนี้ยสกปรกและเทือ่อบดชาวบ้านที่เห็นหรือคนเดินทางผ่านมาเห็นเข้าก็บอกว่าท่านทำํำไมโง่งี้เอาขี้หมูมาแบกใส่หัวทำไมชายคนนี้ก็ดื้อด้านบอกว่านี่อาหารหมูนะไม่ใช่ขี้หมูแล้วก็นําขี้หมูอะกลับบ้านไปจนได้แล้วก็เรื่องที่ส ม, มีนักเลงสากาอยู่สองคน กำลังเล่นสากากันอยู่คนแรกเล่นสากาทําท่าจะแพ้ก็เลยหยิบเบีย้ยเขาบะออมทําอย่างนี้หลายๆครั้งก็ชนะตลอดจนตอหลังเนี่ยเพื่อที่เล่นสากาด้วยเนี่ยรู้ทานเล่นเหลี่ยมจึงขอลูกสากานั้นมาแล้วก็ชวนเล่นใหม่แต่ตัวเองแอดทายาพิษเอาไว้นักเล่นสากาคนแรกเนี่ยก็ใช้อุบายเดิมแหละพอเล่นเล่นทําท่าแพ้ก็หยิบลูกสากาบะอมแต่ครั้งนี้อมยาพิษก็เลยตายนิทานเรื่องที่ส มีชายสองคนเดินทางไปด้วยกันไปพบป่านแต่คนต่างเขาเก็บเอาไว้ห่อใหญ่เลยแหะป่านแล้วเดินทางไปอีกสักสักหน่อยหนึ่งก็เจอเจอฝ้ายชายคนแรกที่ห่อป่านเนี่ยไม่ยอมทิ้งอ้างว่ า, าเดินไหนไหนก็แบกป่านมาไกลแล้วชายคนที่สองรู้สึกว่าฝ้ายมีราคามากกว่าป่านก็เลยทิ้งป่านแล้วก็ห่อฝ้ายกลับไปพอเดินไปอีกระยะหนึ่ง ก็ไปเจอเหล็กแร่เหล็กนะมีค่ามากกว่าไฟาชายคนที่แบกป่านมาก็ไม่ยอมทิ้งอีกอ้างว่าแบกมาไกลแล้วไหนๆก็ได้ไหนแล้วไม่ทิ้งอ่ะแต่ชายคนที่สองเนี่ยก็ทิ้งไฟาแล้วก็เอาแร่เหล็กห่อเพื่อเดินทางกลับแล้วเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งก็มาเจอแร่ทองแดงแร่ทองแดงมีราคามากกว่าแร่เหล็กคนที่ถือป่านก็ไม่ยอมทิ้งป่านเหมือนเดิมอ่ะอ้างว่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วแบกมาไกลแล้ว ชายคนที่2เนี่ยก็ทิ้งแร่เหล็กเอาแร่ทองแดงเดินทางมาอีกระยะหนึ่งก็มาเจอดีบุกดีบุกนี่แพงกว่าทองแดงก็เหมือนเดิมอหะคนที่ถือแปะแบกป่านมาก็ไม่ยอมทิ้งป่านชายคนที่สองก็ทิ้งทิ้งแร่ทองแดงเอาดีบุกเดินทางมาอีกระยะหนึ่งก็มาเจอแร่ตะกั่วก็เหมือนเดิมอีกคนหนึ่งทิ้งอีกคนไม่ทิ้งจนมาถึงแร่เงินก็เหมือนเดิมชายคนที่2ทิ้งหมดอะเอาเอาของที่แพงกว่า คนแรกก็มียืนการเหมือนเดิมว่าฉันน่าจะเอาป่านกลับไปอุตส่าห์ลงคูนแบกมาข้างกาไม่อยากทิ้งอะ่ะคือมีมียึดฟามเห็นเองนี้ไว้จนมาถึงเจอทองเจอแร่ทองชายคนที่สองก็ห่อแร่ทองกลับแล้วทิ้งของหลักทั้งหมดแหละไม่เอาอะไรเลยแต่คนแรกก็ยังห่อป่านเหมือนเดิมฉันกลับไปถึงบ้านครอบครัวของชายคนแรกที่ห่อป่านมาก็ตําหนิแล้วก็ด่าบ่งว่าทําป็โง่เง่าเต่าตุ่นอย่างนี้ทําให้ เลยเดือดร้อนนั่นแหละความทุกข์ใจเพราะโดนดา่าส่วนชายคนที่สองเนี่ยครอบครัว ก, ก็ชื่นชมสรรเสริญเพราะเป็นคนที่ฉลาด2คนนี้คนที่2มีความสุขคนแรกก็มีความทุกข์นิทานสีเรื่องนี้ก็เปรียบ ก, กับพระองค์นั่นแหละว่าพระองค์มีความเห็นที่ผิดแล้วก็แบกต่อไปยึดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทําให้ตัวเองทุกข์แล้วทําให้คนอื่นก็ทุกข์ด้วยพระเจ้าไปราชญ์บอกโยมเนี่ยเชื่อพระคุณเจ้าตั้งแต่ แรกๆ แ, แล้วแต่ที่ถามเนี่ยเพราะอยากจ ะ, จะฟังถามจากหู้นเจ้าแล้วตอไปนี้เนี่ยโยมจะเป็นชาวพุทธนับถือพันรณะตายหลอดชีวิตหลังจากนั้นพระเจ้าไตรสีก็ เ, เปลี่ยนทิศทิการเป็นชาวพุทธแต่ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าพระเจ้าไตรสีเนี่ยท่านทําบุญให้ทานแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ให้ด้วยความขอรพไม่ได้ให้ของปณีตคือท่านให้ของหยาบบางทีเอาเข้าวหากัหกหักให้แล้วก็เอาน้ํากับผักกาดดองอ่ะที่ตัวเองไม่กินน่ยหรือเอา เสื้อผ้าเก่าๆมาบริจาคให้คนยากคนจนจนเป็นที่ลังเกียรจของผู้ดูแลการทําบุญก็คืออุตรามนบอุตรามนบเนี่ยทำบุญด้วยศรัทธาทุกครั้งที่ทําบุญเนี่ยจะที่ฐานจิตดังๆว่าเกิดชาติหน้าเนี่ยอยาได้มาพบพระเจ้าปยาสีอีกเลยขอพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไปไประมาเรื่องนี้ก็ถึงหูของพระเจ้าปยาสีก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงลังเกียจพระ อ, องค์อย่างนี้จึงเรียกตัวมาถาม จรามาณนก็เล่าความจริงให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยให้ทานแบบไม่เคารพไม่ให้กับมือให้ของหยาบคือพูดง่ายคือให้ของเดียที่ตัวเองไม่อยากแตะด้วยเท้าเลยอย่าว่าแต่มือเลยขอให้พระองค์เนี่ยเปลี่ยนทิฏฐิให้ดีๆด้วยแล้วก็พูดเหตุผลต่างๆให้ฟังจนพระเจ้าเปรตศีลเนี่ยเขาคอยตามฟ้าสึกว่าตนเองต้องให้ของดีๆก็เลยเชื่อจึงให้ของปานนี้ขึ้นแต่ก็สายเสียแล้วแต่ตัวของกุจรามาณนบจะให้ของด้วยความเคารพให้ของปานนี่กว่านะทุกครั้งที่ทําบุญจะให้กับมือ จนในสุดหลังจากเวลาตายไปอุตละมานพเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงมีนางฟ้ามีสมบัติบริวารมากมายแต่ตัวของพระเจ้าปยาสีเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นยาตุมมีวิมานที่สมบัติน้อยหรือว่างเปล่าเพราะตัวเองทำบุญด้วยฟ้าไม่เคารพคือเรื่องนี้พระอรหันต์ที่มีนามว่าพระคำวปฏิเนี่ยได้นา ม, มาเล่า อันนี้ก็เกิดขึ้นหลังสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคือไปเจอเทพบุตปรปยศิอยู่คึงเนาวบอกมนุษย์คนว่าเวลาทําบุญให้ทําด้วยศรัทธาทําด้วยเคารพทําของปาณีดอันนี้จะมีมีอนิสงส์มากเพราะการทําบุญต้องทำด้วยใจแต่เราให้แบบขอไปทีงบุญนั้นก็ไม่ค่อยมีอนิสงส์งเท่าไหร่เวลาทําบุญเนี่ยหรือทำธรรมดีเนี่ยก็ต้องใส่ใจทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราทําบุญเป็นเราสามารถทําบุญได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ละคนจะมีอุปวิสัยที่แตกต่างกันความคิดความเห็นก็ต่างกันในที่เนี้นมาเชื่อว่าพระโยแมชีนเนี่ยจะมีพื้นจิตไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็จิตใจดีงามมีศรัทธาบางคนเนี่ยไม่มีศรัทธาเลยบางคนก็เห็นกค่ตัวมากอย่าภาพ บ, บางคนออกมาเห็นว่าช่วยวัดฝาดไปไม้ช่วยถูศาลาโดยเราไม่ต้องใช้เลยขยันขวนกว่าช่วยงานที่ตัวเองเห็นแต่บางคนขี้เกียจนะบางคนเห็นแค่ตัว ฉันเจ็ดก็รีบหนีกลับหรือไม่ฝ่ายจะไม่เคยจับเลยหรือเอาเปรียบเพื่อนมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนฉลาดไม่ต้องทําอะไรก็ได้เรากินอย่างเดียวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะฮะเพราะว่าคนที่ฉลาดเนี่ยจะต้องทำความดีเพราะว่าสิ่งเนี้มันจะสะสมไปเป็นนิสัยเป็นนิสัยเป็นปัใจจัยในภายหน้าความดีเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยมันจะให้ผลแต่ถ้าเราเห็นกับตัวเนี่ยกิเลสตัวนี้มันจะบีบให้เราเนี่ยใจคอคับแคบ ชีวิตเราจะมีความสุขเลยไปไหนใครก็ไม่รักเพื่อนก็ละแวงคนที่ทำความดีมากเน่ยเพื่อนรักนะฮะไปไหนก็ไม่อกลัวอดเลยไปไหนก็สบายมีคนช่วยเหลือตลอดแหละถ้าคนใจแคบเห็นกค่ตัวไปไหนคนก็รังเกียจลำบากทั้งโลกนี้โลกหน้าเผื่อกเกิดไปขอทานด้วยถ้าคนที่ไม่ยอมทําบูรุษทานคนที่รวยชาติน้าอาจส่วนมากอาจจะคนใจกว้างไม่เห็นกค่ตัว เพราะวส่วนมากผูอขอทานเนี่ยจะมีจิตใจที่ับแคบอยากได้ไม่อยากให้มันอยู่ที่จิตนะฮะจิตคนเราสามารถใหญ่เหมือนมหาสมุทรเหมือนทะเลเหมือนแม่น้ำเหมือนสระเหมือนบ่อ น, น้ำหรือน้ำในแก้วก็ได้น้ำในโอ่งในแก้วก็ได้อยู่ที่เราอะจะทำแบบไหนกับจิตถ้าจิตเราเปรียบเหมือนน้ำในแก้วในโอง่งเวลาใส่เกลือลงไปมันก็เค็มอะแต่ถ้าเกิดใหญ่เหมือนแม่น้า มาเน่าลงไปตายทั้งหลายตัวก็ไม่เป็นไรมันก็พัดผ่านไปยิ่งเป็นมหาสมุทรรับอะไรได้หมดเลยไม่มีปัญหาให้เราก็ต้องเปลี่ยนทิศที่เปลี่ยนความเห็นให้เราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวเพราะเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนไม่เห็นแก่ตัวเป้าหมายเลยแหละใครเห็นแก่ตัวน้อยคนนั้นก็ทุกน้อยเห็นแก่ตัวมากก็ทุกมากถ้าเราเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีเนี่ยส่วนมากก็เป็นผู้วัตถุนิยมเอาความสะดวกสบายชมพนาเอาไว้ก่อน อันนี้เป็นความเห็ที่ผิดแต่เราเชื่อว่าบุ ญ, บญมีบาปมีมนรกมีสวรรค์มีมรรคผลที่ผานมีชาติหน้ามีเนี่ยเราจะไม่ประมาทขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็หมั่นพัฒนาตัวเองสร้างคุณงามความดีเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตัวเองะทำดีได้ดีทชั่วได้ช่วบุญเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรือนะบาปเปรียบเป็นก้อนหิน เราโยนบาปแม้เล็กน้อยก็จมน้ำแต่เรือสามารถรับก้อนหินที่มันบาปเยได้มากมายบุญสามารถทําได้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราเห็นใครทาความดีแล้วก็สาธุอันนั้นเราก็ได้บุญ ด, ด้วยล่ะหรือช่วยเหลือขอนขวายในกิจการต่างๆทุกคนสามารถเปลี่ยนทิฏฐิได้แต่ถ้าคนที่บางคนจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คือจิตใจหยาบมากฉะนั้นเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมเราต้องเปลี่ยนทิฏฐิ จากมิชฉานิฏิให้เป็นสามาทิฏิเพื่อความพ้ทุกข์ให้ได้อัตมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาเพราะเวลาก็หมดก็ขอให้พวกญาติธรรมทุกท่านน่ะมีความสุขความเจอิธรรมยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องก็ขอให้สมปรารถนาขอให้พ้นทุกข์กันทุกท่านทุกคนเถิด